วันนี้เป็นวันมหามงคลอันยิ่งใหญ่และพร้อมกับการได้เห็นได้ยินได้ฟังพระเจ้าพระสงฆ์ส่วนมากที่มาที่นี่มักจะอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อขวนขวายหาอัฏฐหาธรรม ในสถานที่ต่างๆกันส่วนมากเป็นป่าเป็นเขาแล้วท่านก็ได้อุตส่าห์ออกมาสู่สถานที่นี้ซึ่งเป็นจุดใหญ่คือวัดอโศการามเป็นศูนย์กลางแห่งพระปฏิบัติทั้งหลายรวมอยู่ที่นี่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ท่านพอดีท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเ ค, คร่งครัดในหลักธรรมใน มีความศักดิ์ความจริงเต็มองท่านท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมาตลอดแล้วมาสร้างวัดอโศการามขึ้นมาจนกระทั่งปรากฏเวลานี้วัดอโศการามเรากลายเป็นศูนย์กลางแห่งพระปฏิบัติทั้งหลายมารวมกันอยู่ที่นี่นี่ การที่เราทั้งหลายจะได้พบได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งมุ่งม่หน้าปฏิบัติศีลธรรมมาโดยลำดับแล้วมาปรากฏองท่านในสถานที่นี้จึงเป็นบุญกุศลอันล้นพ้นของพี่น้องทั้งหลายทมารทมท่านแสดงไว้ว่าสมนานันจะดัดสนัง การเห็นสมณนะคือผู้สงบกายวาจาใจจากบาปจากกรรมทั้งหลายนั้นเป็นมหามงคลอย่างยิ่งนี่ประการหนึ่งประการที่สองสมณานุตติยะคือการเห็นสมณนะผู้สงบกายวาจาใจจากบาปนั้นเป็นการเห็นอันสูงสุด พี่น้องทั้งหลายที่ทั้งทางใกล้ทางไกลก็ได้อุตส่าห์พยายามได้มาพบมาเห็นแล้ววันนี้จำนวนพระเป็นพันพันหมื่นหมื่นเราก็ได้เห็นในวันนี้แล้วนี่เป็นมงคลอันสูงสุดสําหรับท่านผู้เห็นสมณะคำว่าสมณะนั้นท่านแสดงท่านแยกออกเป็นสี่ประเภทด้วยกัน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 ในมงคลนนสูตรนั้นว่าสมณา น, นันแต่ดัศนะคือเห็นสมณะเหล่านี้เป็นมงคลอันสูงสุดแล้วสมณะทั้งสี่ประเภทนั้นในครั้งพุทธการเคยมีอยู่ชั้นใดในครั้งนี้ก็ย่อมมีอยู่ชั้นนั้นเหมือนกันนอกจากจะว่ามีมากน้อยต่างกันเพียงเท่านั้น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 แล้วนำมาชี้แจงแกบ่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมีภิกษุวรรณะเป็นต้นด้วยสวาสขาตาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี่คือศาสดาองค์เอกธรรมก็เป็นธรรมชั้นเอกแนะนำสั่งสอนด้วยธรรมชั้นเอกนั่นให้ผู้ปฏิบัติ บ, บำเพ็ญ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 อาการลีโกการปฏิบัติบำเพ็ญของผู้มุ่งอัดมุ่งรมทั้งหลายยังมีอยู่มรรคผลผนิพพานหรืออริยบุคคลทั้งสี่ประเภทหรือสมณาสีประเภทนี้ย่อมเป็นเงาเทียมเตรียมตัวต้องได้รับมรรคผลเป็นลำดับลำดา ม, มาจึงสมชื่อสมนามว่าศาสตาวงศ์เอก ไม่ใช่ศาสดาหลอกลวงโลกลวงสงสารมารักผลิพานกล่าวถึงแต่หาความจริงไม่ได้อย่างนี้ไม่มีในศาสดาของพวกเราทั้งหลายเป็นศาสดาอกอิจธา ร, รมอันเอกผู้ปฏิบัติธรรมตามศาสนาธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนั้นย่อมบรรลุมีสิทธิจะบรรลุธรรมไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนา จึงเป็นศาสนาที่ทรงมกักทรงผลตลอดมานับแต่ครั้งกุฎิการมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะทรงมกักทรงผลแก่ผู้ปฏิบัติตลอดไปสมนามในพระธรรมว่าอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวล่าเวลาใดที่จะมาเป็นอุปสรรคขีดขวางหรือลบล้างใดเลย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 เป็นศาสนาที่ทำที่ประกาศท้าทายต่อความจริงทั้งหลายตลอดมามีท่านทั้งหลายที่เป็นพระจำนวนมากมายอุตสาปฏิบัติตามอัตธรรมทั้งหลายก็พึงสังรวมระวังกายวาจาใจของตนตามแนวทางแห่งาศาสดาที่ทรงประกาศทำไม่เรียบร้อยแล้วคือภาคปฏิบัติ เริ่มต้นตั้งแต่เราบวชบวชมามีศีลด้วยกันแลมาทานศีลจากอุปชา ม, มาโดยเรียบร้อยเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วขณะที่ได้ประกาศตนเป็นผู้มีรับศีล ร, รับศีลมาเป็นลาดับนี่ก็เป็นภาคปฏิบัติที่เราได้ปฏิบัติประจำกายวาจาใจของเราตลอดมา จากนั้นก็ปฏิบัติทางด้านอัดด้านธทมให้เป็นความสงบเย็นใจเป็นลำดับลำดาอยู่สถานที่ใดให้พึงเป็นคู่สังรวมระหว่างมีหีดิโอตประประจำใจสังรวมอยู่ด้วยธรรมด้วยวินัยไปที่ใดมาที่ใดอย่าให้ขาดสติ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 สั ง, งรวมระวางศีลของตนอย่าให้ด่างพร้อยจะ ก, กลายเป็นพระขาดบาทขาดตาแตลงไปศีลไม่ครบองค์ของศีลที่ประทานไว้แล้อรับมาแล้วทำมามาทำให้ด่างพร้อยขาดทะลุศูนย์สิ้นไปหมดเหลือแต่โมฆะภิกษุไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยยิ่งร้ายกว่าประชาชนที่เขาไม่มีศีลมีธรรมซะอีก เพราะฉะนั้นจึงต้องให้ระมัดระวังรักษาศีลซึ่งเป็นคุณค่าอันใหญ่หลวงของเราแล้วสมาธิปัญญาก็ให้พึงพากันเจริญทำตามรอยของศาสดาเพื่อมรรคผล น, ผนิพพานเมื่อศีลก็บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วหาความเดือดร้อนหรือเทือกแกลงสงสัยในศีลของตน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 เป็นลำดับลำดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงมรกญุนิพากด้วยจิตตะภวาวนาคําว่าจิตตะภวาวนาได้จากการอบรมสั่งสอนจิตใจตนเองผู้ภวาวนาพึงมีบทธรรมเพื่อตั้งรากฐานเบื้องตน้นอย่าปล่อยวางคำบรีกรรมนี่คือผู้ฝึกเบื้องตน้นจามสรรมดาของจิต ชอบคิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางเดินของทิเลสมาดั้งเดิมมักจะคิดอยู่เสมอจึงต้องระงับดับความคิดอันเป็นทางเดินของทิเลสนั้นเข้ามาด้วยบทคำบรีกรรมภาวนาโดยมีสติเป็นเครื่องการรกับรักษาเข้มงวดขวดขันเวล า, าภาวนาอย่าให้เผลอไปที่ไหนจากคำบดรีกรรม มีคำบริกรรมผูกมัดจิตใจไว้และสติเป็นนายควบคุมคำบริกรรมไม่เผลอแล้วในวันหนึ่งหนึ่งก็ให้ทำอย่างนี้เรียกว่าเราเสาะแสวงหาสมบัติอันล้นค่าคือธรรมเบื้องต้นให้ได้สมถะธรรมก่อนพยายามทำจิตใ จ, จของตนให้เป็นความสงบ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 แนทนีิเลสที่มันเคยคิดเคยปรุงนั้นไม่คิดให้คิดแต่เรื่องคำบริกรรมเช่นท่านผู้ใดมีความรักใคร่หรือสนิทติดใจกับคำบริกรรมใดเช่นพุโทโธบ้างธรรมโมบ้างสังโฆบ้างตลอดถึงอรพานาิสติในวงกรรมฐานสี่สิบอง เป็นกรรมฐานที่จะระงับดับจิตใจที่ฟุ้งซ่านาให้สู่ความสงบได้ด้วยคำบรีกรรมทั้งนั้นให้เรานำมาบดรีกรรมจิตจดจ่ออยู่กับคำบุรีกรรมนั้นตลอดเวลาที่เรานั่งภาวนาอย่างให้เผอจิตใจมีหน้าที่อันเดียวเวลาคิดทางโลกมันก็คิดทางโลกทางธรรมเข้าแทรกไม่ได้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 ด้วยคำบริกรรมภาวนาผลจะปรากฏเป็นที่พอใจในเบื้องตน้นคือความสงบใจใจนี้ปกติจะหาความสงบไม่ได้ดีดดิ้นอยู่ด้วยความชิดความปรุงอันเป็นการผลักไสผลักดันของทเล็ดออกทำงานเพื่อหารายได้ของมันแต่สร้างกองทุกข์ให้เราอยู่ตลอดมา นี่คือเรื่องกิเลสทางานบนหัวใจเราต่อจากนั้นเราก็ให้เอางานของธรรมะคือคำบริกรรมเข้าแทนที่ไปแล้วทางานในด้านธรรมะปิดทางด้านความคิดโดยที่กิเลสพาจุดลากไปมีด้านธรรมะขึ้นทาหน้าที่แทนทาหน้าที่แทนไปเรื่อย ไม่ให้กิเลสมันมีโอกาสทำงานชิดปรุงเราจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจนี้เป็นมิธีตั้งรากตั้งฐานแห่งความสงบในเบื้องต้นให้พากันตั้งอย่างนี้อย่าพากันทำสูมสี่สูมห้านึกถึงบุรีกรรมนึกถึงภาวนาเมื่อไหร่ก็มีสติยับหนึ่งยับหนึ่งแล้วมานึกถึงคำบรีกรรม คำใดก็เพียงคำสองคาหายไปนอกจากนั้นมีแต่กิเลสเอาความชิดความปูุงไปถลุงเสียดทั้งวันทั้งคืนแล้วผลอะไรได้ก็คือความทุกข์ความดัดร้อนภายในใจหาหลักฐานมั่นคงภายในใจไม่ได้ทั้งๆที่ตตนก็สําคัญว่าตนเป็นนักภาวนาแต่ความจริงนักภาวนามีเพียงอย่างมากหเปอร์เซ็นต เก้าสบห้าเปอร์เซ็นตเป็นเรื่องของเจตระไปถลุเสียทั้งหมดมันก็ไม่คุ้มค่ากันที่เองผู้ปฏิบัติจิตาภาวนาไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเพราะเหตุอย่างนี้เองถ้าเราต้องการให้ได้ผลเป็นที่พอใจเป็นลำดับลำดาให้พากันตั้งอกตั้งใจลำเริดทงด้านภาวนาดังที่กล่าวแล้วนี้ จิตใจสัสงบ ส, สงบไปเรื่อยจากนั้นก็เป็นสมาธิขึ้นมาคำว่าสมาธิคือ ค, อความแน่นหนามั่นคงของใจไม่วอกแวกคลอนแคลงจิตใจอิ่มอารมณ์คืออารมณ์ที่จิตใจหิวก็หายอยู่ตลอดเวลานั้นได้แก่หิวอยากดูอยากรู้อยากเห็น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 ไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องอะไรเพราะเป็นเรื่องก่อขวนแต่ก่อนเราหิวหหยกับอารมณ์นั้นๆถ้าไม่ได้คิดได้ปรุงไม่ได้ดิ้นรนกรวนกวาดอยากคิดอยากปรุงไม่แล้วไม่เลิกกันักทีสร้างแต่กองทุกข์มาให้ตัวเองแต่นี้เมื่อเวลาจิตเป็นสมาธิแล้วจะอิ่มอารมณ์ความคิดความปรุงทั้งหลายหมูนตัวอยู่กับ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 หลงได้ติดได้ถ้าไม่มีผู้มาแนะนำในทางปัญญาจะติดสมาธิโดยไม่อาจสงสัย <c oughs> เพราะสมาธิมีรสชาติพอที่จะให้นักบำเพ็ญทั้งหลายติดได้ไม่สงสัยเพราะเป็นโรสชาติแห่งธรรมผิดกันกันกบรสชาติของโลกเป็นไหนๆเรื่องของโลกเป็นรสชาติของที่เหลสผลิตขึ้นมากินแล้วมีเบื่อหน่าย อันนี้อยากอันนั้นกินอันนั้นดื่มอันนั้นเบื่อหนายนั้นมาดื่มอันนี้เบื่อหนคิดเรื่องนั้นเบื่อหนายนั้นมาคิดเรื่อง <c oughs> นี้นี่เรื่องของอารมณ์ของเฉลต์ถ้ารดก็เป็นอารมณ์ของเฉลสมีความลื่นเลึงเฉชั่วคู่ชั่วยามแล้วก็เอาไฟเข้ามาเผาในฉากหลังนั่นแหละนี่คืออารมณ์ของเฉลสแต่อารมณ์ของธรรม อยู่ด้วยความดืดดื่มแห่งความสงบเย็นใจนีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนสบายหมดท่านผู้ทรงสมาธิธรรมด้วยการภาวนาของตนนีนี้เมื่อเวลาจิตมีความสงบเย็นใจเป็นรากเป็นฐานได้พอก้าวเดินทางด้านปัญญาแล้ว ขอให้ออกก้าวเดินทางด้านปัญญาอย่าอยู่กับสมาธิจะกลายเป็นนอนจมกับสมาธิแล้วกาจะเป็นหมูขึ้นเฉียงไปนี่จึงต้องแยกจิตออกจากสมาธิแล้วก้าวเดินทางด้านปัญญา <c oughs> เมื่อเรามีความผาสุกเย็นใจจิตใจอิ่มพอกับสมาธินีแล้วให้ก้าวเดินออกทางด้านปัญญาปัญญานี่ มีความกว้างขวาง ม, ม, มากทีเดียวไม่ได้เหมือนสมาธิสมาธินี้เต็มขั้นเต็มภูมิของตนก็เหมือนกับน้ำเต็มแก้วน้ำเต็มโอ่งมีมากเท่าไหร่จะามาเทเพิ่มเติมน้ำเต็มแก้วก็ไม่รับได้เพราะน้าเต็มแก้วนี้สมาธิจะให้มีความแน่นหนามั่นคงเท่าไหร่ก็เต็มภูมิของสมาธิ จะให้เลยจากภูมิสมาธิที่เต็มตัวแล้วไปไม่ได้นี่เป็นขั้นของสมาธิจากนั้นก็ก้าเดินทางด้านปัญญาพิจารณาตามทางของาศาสดาที่ประทานให้แล้วซึ่งเรารับมาตั้งแต่วันบวชท่านสอนว่าเกสาลวมานขาทัานตาตะโจเกสาคือผมผมเป็นยังไง ผมขนเราทั้งหญิงทั้งชายตลอดถึงผมหูผมหมาผมเป็ดผมไก่ผมวัวผมควายเรียกว่าขนไปสวยๆมันก็ผมพอเวลาเป็นผมเป็นไปได้หมดดังนั้นดูไปหมดผมเขาผมเราผมบุก ค, คนหญิงชายผมสัตว์อะไรดูให้ทั่วถึงผมเหล่านี้เป็นยังไงอ่มันสะอาดสะอ้านอะไรบ้างพิจารณาจีชะล้างทุกวันทุกวันผมอันนี้แหละ ตัวถูกกระปกใหญ่โตจึงต้องชะล้างทุกวันไม่ชะล้างไม่ได้นี่เอามาพิจารณาถ้าเป็นของดิบของดีจะชะล้างกันหาอะไรอยู่ที่ไหนก็ดิบก็ดีสะอาดสะานตลอดเวลาควรที่จะแน่ใจตายใจได้กับผมนแต่นี้ตายใจไม่ได้ขนก็เหมือนกันแบบเดียวกันเอามาเทียบกันได้ทุกสว่วน ลูกสตร์ตักส่วนนี่วิธีการพิจารณาทางด้านปัญญาขอให้เริ่มก้าวเดินออกอา น, นี้เอาผมขนเล็บฟันกรรมาฐานห้าเป็นพื้นฐานแห่งการก้าวเดินของปัญญาเราไอ้ใช้ผมขนเล็บเป็นยังไงนี่เดี๋ยวก็ดูแล้วเล็บคนกับเล็บหมาก็าไม่เห็นมีอะไรผิดกันมันสะอาดสะอา้านมันสวยงามที่ตรงไหน ถึงต้องไปติดแปรพันกับมันดีไม่ดีย้อมเล็บย้อมเล็บตัดเล็บย้อมเล็บให้สวยงามมันจะสวยอะไรภาษาเล็บถ้าไม่เป็นบ้าแล้วจะไปตกแต่งมาล้างนะ้ำชะาล้างให้มันพออยู่ได้ไปได้ทั้งเขาทั้งเหล่าะนั้นก็พอํำเป็นอะไรจะต้องมาตกแต่งมาทามาล้างมาประดับประดาภาษาเล็บนั่นปัญญาให้พิจารณานั้น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 ข้อเท้าว่าไปตามธรรมดาแต่กระดูกนี้เดียว่ากระดูกฝันเอามาบดเคี้ยวอาหาร ม, มันก็คือกระดูกนั่นเองนี่ให้พิจารณาที่กระดูกนี้มันสกรปกรกหรือมันสะอาดดูที่ตื่นขึ้นมาแล้วล้างปากล้างฟันล้างซสจนกระทั่งเลยเถิดเลยแดนมีอะไรมาเอามาเป็นความสะอาดล้างปากล้างฝันยาถูฟัน น้ำยาน้ำอะไรมาชะมาล้างฟันให้มันสดสวยงดงามไปแบบกิเลสไปเสียมันับมันกะกลายเป็นเจเลสไปได้ทั้งทั้งที่กระดูกทั้งทั้งที่ฟันมันมีอยู่ด้วยกันหมดมันไม่ได้ติดใครแต่คนที่ว่าตัวนักรู่คือใจนี้แหละไปหลงเขาและพิจารณาจากฟันแล้วก็นหนังเอาที่นี่ <c oughs> นี่วางพื้นฐานยอ่ยอๆไว้สำหรับท่านทั้งหลายที่นักปฏิบัต ทำด้วยโดยทางปัญญาให้นำมาคดมาชิดมาค้นดังที่อธิบายมาแล้วนี่พูดจะเพียงย่อยอนะเนี่ยที่จากนั้นหนังฟังสิ่หนังหนังคนเราทั้งหญิงทั้งชายหนังสัตว์หนังบุคคลอยู่คนเราที่ติดกันนี้ติดพรหนัง มาตกแต่งผิวมันเพียงบางๆเท่านั้นไม่ได้หนาเท่าใบรานเลยนะคนทั้งคนนี้มีเครื่องหลอกตาให้หลงได้ถนัดชัดเจนก็คือผิวหนังนี่เท่านั้นจึงประดับปดาตกแต่งทุกอย่างที่จะทําให้หลงหนักเข้าไปทีนี่เราพิจารณาทางด้านปัญญาในเรื่องหนังพิจนารณาหนังภายนอกเป็นผิวบางๆ หลอกคนอพิกเข้าไปภายในดูหนังภายในจากนั้นจะดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกตับไตไส้ผุมในร่างกายของเหล่านี้เหมือนคืออะไรนี่คือปัญญาจะพิจารณาเพื่อถอดถอนความยืดมั่นถือมั่นสำคัญปิดว่าเป็นของสวยของงามให้ลงสู่ความจริงความจริงก็คือว่า หนังก็สักแต่ว่าเครื่องหุ้มห่ออวัยวะที่โศกปลกโสมหมงนี่เท่านั้นไม่ใช่หุ้มห่หอหอปราศาสต ร, ราชมลเตียนอะไรหุ้มห่อซากผีดิบไว้ให้พอดูได้ด้วยกันที่เป็นจัดเป็นมนุษย์อยู่ร่วมกันเท่านั้นที่มีหนังหุ้มห่ออวัยแล้วชาล้างถึงชาล้างขนาดนั้นหนังก็ไม่พ้นที่จะแสดงออกมา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 บ้างเรือนแต่ละหลังล้วหลังสร้างขึ้นมากี่ห้องกี่หับกันว่าเป็นของสวยของงามของสะอาดสะอานพอคนเขาไปอยู่ที่ใดอืนําสิ่งเหล่านี้เข้ามาคราเ้ากับผนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งเครื่องห่มมาคราเ้ากับผลกลายเป็นของสปกปรกประจำตามกันหมดแม้สิ่งเหล่านั้นจะสะดก็เพราะว่าร่างกายนี้หาความสะาไม่ได้ต้อง ซักต้องล้างอยู่เสมอไปอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องช้าต้องล้างทําความสะอาดในบ้านในเรือนมันขึ้นกับอะไรมันถึงได้ช้าได้ล้างตลอดเวลาก็ขึ้นอยู่กับร่างกายตัวสกปรกนี่เองมันไปอยู่ที่ไหนเลอะเทอะไปหมดคือร่างกายตัวสกปรกนี่เองนี่ทางพิจารณาทางด้านปัญญาให้แยกแยะอย่างนี้ดูเข้าไป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 นี่่ะมันทำไมมันถึงติดถึงพันนักจิตใจอันนี้แกะไม่ออกดึงไม่ออกไม่มีหนามซ้ำยังส่งเสริมให้ติดแน่นเข้าไปอีกนี่หลังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วดูเข้าไปในตับไตไสู้มงของคนแต่และคนมีแต่ส่วงแต่ฐานเต็มผุงด้วยกันทังนั้นแหละเราออกมาดูกันได้เวลานี้ก็เพราะเอาสิ่งที่พอดูได้มาปิดบังไว้นี้มีหุ้มออ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 ในเรื่องนี่จนกระทั่งถึงตับไตไส้พุงอาหารเก่าอาหารใหม่ถึงส่วมถึงฐานในผู้ิของเราดูแล้วทบทวนหลายครั้งหลายหนดูเพ่งเร็งด้วยสติด้วยปัญญาหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งสติปัญญามีความค่องแค่วแกล้าดูอายวะของตัวนั่นเองเหมือนที่แรกก็เหมือนกันกันกบเราฝึกขัดเขียนหนังสือทั้งเขียนทั้งละละเกลละกะ เขียนแล้วลบเล่าเพราะเขียนไม่ชํานาญมันก็ไม่ถูกตัวแลวเลอะเทอะที่นี่เวลาฝึกหัดเขียนไปไหลายครั้งหลายหนมันก็ค่อยเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาอ่านก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเมื่อเวลามีความชานานในการฉีดเขียนแล้วพอ ม, มองดูภาพตอนนี้มันก็รูปเขียนก็เขียนวัดไปเลยนะเนี่ย เพราะความชำนาญของการเขียนอ่านก็แบบเดียวกันอ่านวัดไปเลยนี่คือความชำนาญการพิจารณาทางด้านปัญญาที่แรกก็ถูถไปมาล้มลุกคุกคานเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างในสิ่งที่กล่าวมาแล้วนี่ซึ่งเป็นหินลับปัญญาผมขนแวันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกอย่างเป็นหินรับปัญญา ปัญญาจะคงกล้าขึ้นด้วยการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ซ้ำๆสากๆจิตใจก็จะมีความสว่างสวยและคล่องตัวขึ้นมาเป็นลำดับนี้นหละหลักฐานเบื้องต้นที่จะเปิดทางเพื่อมรักผลนิพพานให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือส่วนร่างกายนี้แหละที่มันปกปิดกำ บ, บงังภูเขาทั้งลูกมันหนาแน่นยิ่งกว่า อวัยวะภายในตัวของเราทั้งเขาทั้งเราทั้งหญิงทั้งชายมันปกปิดกำบังไว้หมดหญิงเห็นชายก็หลงชายเห็นหญิงก็หลงเพราะนี่แหละมันหนายิ่งกว่าภูเขาจังลูกจึงเปิดทำลายภูเขาลูกนี้คือภูเขาภูเรานี้ออกเป็นด้วยปัญญาให้เห็นอย่างแจม่มแจม้งชัดเ จ, จนจนกระทั่งสติ ป, ปัญญาคล้องแคล้วแกวกาแยก ถ้าแยกขันออกไปเป็นดินน้ำเป็นลมเป็นไฟแยกลงไปเป็นอนิจจงแปรสภาพทุกขังบีบบี้สีไฟตลอดเวลาอนัตตาหาความเป็นของสัตว์เป็นสัตว์เป็นบุคคลของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ทั้งทั้งตีโลกนีดถือกันตลอดมาเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นของใครนี่แยกออกเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาได้พิจารณาซ้ําๆำสากสาก ด้วยการดำเนินปัญญาทีนี้เมื่อเวลาพิจารณาปัญญามากเข้ามากเข้าจิตใจมีความเด็ดเหนื่อยเมื่อลาย้อนเข้ามาสู่สมาธิเสียย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิบําเพนตังสมาธิคือจิตใจทำให้สงบอารมณ์หยุดทางด้านปัญญาไม่ต้องที่ต้องผูกมุ่งหน้าต่อสมาธิด้วยความสงบใจหรืออารมณ์บริกรรมแห่งธรรมนี้เท่านั้น พักอยู่ในสมาธิเมื่อจิตมีความแน่นหนานมันคงหรือความสงบพอเป็นปากเป็นทางของด้านปัญญาหนุนปัญญาได้แล้วให้ก้าวทางด้านปัญญาอีกตามเดิมนั่นแหละพิจารณาสิ่งที่เคยพิจารณานี่เรียกว่าหินลับปัญญาก้าวเดินอย่างนี้ตลอดไปในเรื่องจิตใจของเราจะมีความเบาบางเบาบางแผ่ววขึ้นเป็นลาดับนะเพราะสิ่งเหนี้ปกปิดมันแต่ก่อน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 การโต้การตอบทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดออกด้วยกันด้วยกันเพราะอำนาจแห่งกายชกตาสติตนี่สำคัญมากนะนี่การพิจารณาร่างกายนี้เมื่อถึงขั้นมีความละเอียดเข้าไปทางด้านปัญญาคล่องแคล่วเข้าไปแล้วพิจารณานี้จะรวดเร็วมากทีเดียวมองเห็นสภาพทั้งเขาทั้งเหา จะรวดเร็วถาว้าเป็นอุภหะเพิบเดียวเป็นอุภหะหมดทั้งลางทั้งเขาทั้งเหล่านัน้นพิจารณาซ้ําแล้วซ้าเหล่าจนเป็นที่พอใจแล้วจิตใจของเรามีความแน่นหนามัน่นคงเอาทดสอบดูการพริจารณาอสุภหะอุปหังนี้สิ่งเป็นพื้นฐานควรแต่การที่จะถอดถอนการ ม, มัากิเลตได้แล้วด้วยการพริจารณาร่างกายนี้ช่ําชองแล้วให้กําหนด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 ในเรื่องกิเลสตนาคือการมาราคานั่นแหละเป็นตัวสำคัญเพราะตัวนี้มันพิลิกพิลั่นทั้งหญิงทั้งชายสัตว์บุคคลทั่วโลกติดอันนี้กันทั้งนั้นเพราะไม่มีใครมาบอกมาสอนแม้แต่พระเรายิ่งติดมากยิ่งกว่าคารวะก็มีเยอะเพราะไม่สนใจเนรรี่ยมก็หมุนตี้วไปกับกิเลสตนาก็กลายเป็นความพลุลงพลังสร้างแต่ความเจ้าท่าขึ้นมาใน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 ให้ดูคําจริงอันนี้จะแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนเมื่อพอแล้วนะเมื่อพอแล้วธรรมชาตินี้จะหมุนเข้าไปสู่จิตใจของเราเองจะหมุนเข้ามาโดยที่เราไม่คาดอันนี้พูดจําบาสนะผมเองก็ไม่อยากจะพูดมันมันจะเป็นเรื่องคาดเรื่องหมายของผู้บําเพ็ญพอสัญญาลมนี้ละเอียดมากไปคาดเอาเสีย ว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รั ง, งที่ท่านสอนเยอะจึงไม่อยากจะพูดบอกแต่อย่างนี้ให้เป็นเครื่องตัดสินตนเองเอาพิจารณาอสุภะตัวนี้ให้ตีมันจะเคลื่อนย้ายไปไหนเวลานั้นจะไม่ทำลายเอามันเป็นยังไงนี่แหละพิจารณาปัญญาให้ถึงฐานแห่งกลา ม, มาคืเลืเอาดูตัวนี้นนเวลามันพอแล้วมันจะบอกเองอาุภะตัวนี้คือเราไม่ทาลาย ตั้งไว้นั่นแหละเอา้ามันจะไปไหนให้อยู่ในปัจจุบันของนี้แหละมันจะไปไหนนี่แหละเราจะไม่บอกในระยะจากนั้นไปให้เป็นเครื่องตัดสินของท่านผู้บำเพ็ญธรรมะขั้นนี้เองนี่เนื้อจากนั้นแล้ว น, นะผ่านคันนี้เขาไปแล้วมันบอกเองเรื่องการมาเคลื่อ เ, เรื่องตัดสินมันจะบอกเองในตัวเองนี่จุดนี้เป็นจุดที่จะตั ด, ตดสินการ ม, มาราคะตัดสินได้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 ความตัดสินตนเองว่าใครเป็นคนหลงแน่นั่นอสุภาพหลงหรือกิจใจเราหลงมันจะตัดสินขึ้นมาในที่นั่นเองนี่เป็นจุดสาคัญเราจึงไม่บอกจุดนี้บอกแต่ต้นเหตุเปิดประตูให้ให้ให้เข้าเองนะเปิดประตูด้วยใสยเข้าไปด้วยมันเกินไปหลับครอกครอกตั้งแต่ยังไม่เข้าไปในห้องก็ได้นี่นะบอกงั้นจึงไม่บอกถ้าบอกมันจะฆ่าจะหมายไปก่อนเชียแล้วก็เป็นความสําคัญขึ้นมา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 ภายในจิตใจอยู่นั่นแหละนี้เมื่อเวลาได้เข้าใจในนี้แล้วเราก็ฝึกซ้อมนี้นจิตใจของเราเมื่อได้ระดับแล้วเป็นที่แน่ใจว่าเอาละทีนี้หมดแล้วขาดจากกันแล้วที่นี้ฝึกเข้าไปซ้อมเข้าไปจิตอันนี้จะมีความํ <c oughs> านี้ทานานไปอีกขั้นหนึ่งมีความละเอยียดไปอีกขั้นหนึ่งขั้นนึงเอาฝึกซ้อมเข้าไปเรื่อยๆนี่แหละนี้เองที่เป็นพักจีพยานตามที่ท่านแสดงไว้ในอั่นในธรรมว่า <c oughs> พระอนาคามีนั้นเมื่อบรรลุถึงขั้นอนาคามีแล้วท่านจะไม่กลับมาเกิดอีกคือจิต ด, ดวงนี้จะไม่ถูกกดทวงดึงลงเหมือนแต่ก่อนเมื่อที่มีการมราคะผูกพันอยู่พอการมราคะส่หลักใหญ่ของการมราคะขาดตรงไปแล้วเรียกว่าสอบได้แล้วห้าสเปอร์เซ็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 ฝึกซ้อมจิตใจดวงนี้แหละด้วยอสุภะดังที่เคยปฏิบัติมานั้นจิตใจจะละเอียดลงไปละเอียดจนไปแล้วความหมุนตัวขึ้นได้เรื่อยหมุนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วละเอียดขึ้นเรื่อยๆนี่แหละพระอนาคามีที่ท่านไม่กลรมมาเกิดอีกก็คือมีกามกิเลสอันเดียวดฉะนั้นดึงลงมาสู่นรกอเวจีได้เพราะกามกิเลส <c oughs> ทีนี้พอนี่ขาดลงไปแล้วจิตใจจะ เบาลงไปเบาลงไปเ บ, า, ปบาจกนกระทั่งเบาวิว่งเบาวิว่งกำหนดภาพกำหนดภาพซักฟอกตัวเองซักฟอกตัวเองในส่วนที่เป็นมวลทินอันละเอียดติดแนบอยู่กับจิตซึ่งอยู่ในขั้นอนาคามีที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่สิ่งเหล่านี้ความมวลทินเหล่านี้จะค่อยกระจายละเอียดลงไปเละเอยดลงไปด้วยการฝึกซ้อมของเราฝึกซ้อมเราเพราะเอียากลงไปสลายจิตยิ่งหมุนสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อย อย่างที่ท่านเทียบไว้ในสุทธาวาส้าชั้นนั่นนะอวิหาอตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐานี่แหละระดับของพระอนาคามีพอได้ระดับเบื้องต้นที่ว่าสอบไล่ได้แล้วหากว่าตายก็จะไปเกิดในนี่นี่อวิหา แล้วเลื่อนไปอตัตปาแล้วยาเข้าไปกสุทัสสาแล้วยาเข้าไปสุทัสสีอแล้วยาเข้าไปทั้งทั้งที่ยังไม่ตายก็รู้เป็นลาดับแล้วยาเข้าไปเต็มแล้วกลขึ้นอากติฐานี่เป็นชั้นที่ห้าของสุทาวาทหาชั้นพอจากชั้นนี้แล้วก็ดีดถึงก้าวเข้าสู่นิพพานเพราะฉะนั้นพภาณาคามีเมื่อสาเร็จ เป็นทรานาคามีแล้วท่านจึงไม่กลับมาเลยท่านจะถ้าว่าเกิดก็ไปเกิดนาวิหาตปาสเวษาุกษีเลื่อยไปแล้วพร้อมที่จะไม่กลับคืนมาไปจนกระทั่งทะลุพนิุพานไปเลย <c oughs> นี่ภาคปฏิบัติขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายจำเอาไว้พิจารณาอย่างที่ว่าวันนี้จำให้ดีด้วยนะจำไม่ดีภาคปัญญาที่ออกการ พิจารณาทางด้านปัญญานี่เขาต้องพิจารณาให้เต็มเม็ดเต็มลอยถึงการเวลาพิจารณาเวลาที่จะเข้ามาพักสมาธิมีความสงบคือเพื่อเอากำลังหนุนทางด้านปัญญาเราก็เข้ามาพักสมาธิคือความสงบใจเสียอย่าไปกังวลกับความที่อ่านไตรตรองเรื่องปัญญาเลยให้อยู่กับความสงบ สงบได้ดีเท่าไหร่ยิ่งเป็นของดีอยู่ตรงนี้พอจิตจิ่มพอในความสงบแล้วพอถอยออกมาเท่านั้นทีนี้เอาพิจรณาทางด้านปัญญ า, าย่ายุ่งกับทางสมาธิปล่อยไปเลยสมาธิเหมือนเป็นคนละโลกในขณะนั้นให้ก้าวเดินทางด้านปัญญาเมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าแล้วก็ถอยมาพักสมาธินี่เป็นการก้าวเดินอย่างราบรื่น ด, ดีงามของผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ให้พระลูกพระหลานจำเอาไว้จำเอาไว้นะแล้วก้าวเดินไปอย่างนี้เรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงภูมิแล้วอัคนิ t าเต็มภูมินี่ท่านเรียกว่าพระอนาคามีเต็มภูมิไปเต็มที่นั่นนะตั้งแต่วิหาตับปานี้ยังไม่เต็มภูมิแต่ได้ได้ฐานเรียบร้อยแล้วว่าสาเร็จเป็นพระอนาคามี ถ้าบันไดก็ขั้นต้นบันไดของพ ร, าาพระอนาคามีมีถึงห้าขั้นถ้าเทียบบันไดขั้นหนึ่งอวิหาสองอัตปาสามภูรษาสี่ทุต ส, สีห้ากนิถานี่ลำดับของพระอนพระอนาคามีที่ได้ในขั้นต้นแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบเหมือนผู้รู้ทมโดยคิปป่าพิญญาการกล่าวทั้งนี้เรากล่าว ตามธรรมดาของนัยยะอยู่กลางกลางในของคนเราธรรมดาไม่ได้กล่าวถึงพวกอุคติแต่อยู่วิปปิจันอยู่ซึ่งรวดเร็วมพรพอถึงปั๊บนี่พุ่งเลยอาณา อ, อ, อ, อ, อวิหาตปาที่พุ่งทะลุถึงกันอนาณาคามี ถึงนิพพานเลยนี่ก็เป็นประเภทหนึ่งไม่ได้นับเข้ามานี่นี่ส่วนมากนักปฏิบททัติของเรามักจะก้าวเดินไปตามนี่เพราะเป็นการบาเพ็ญของผู้ที่อยู่ในถ้ํารางยากลำบากช้าก็าช้าแต่ถึงนี่เป็นอย่างนี้นะแต่ผู้ที่รวดเร็วนั้นพอบรรลุปึงปึงถึงที่สุดเลยนี่เรียกว่าอุคติจันยู ผู้เรียกว่าคิด ป, ปาปิญญาผู้รู้ได้เร็วต่างกันอย่างนี้แต่ให้แยกได้เอานะนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องอที่เหลือการมราคานี้ ห, หลุนแรงมากหนักมากที่สุดทวงจิตใจมากที่เดียวไม่ว่าหญิงว่าชายเต็นตะเพียงไม่พูดถึงกันเรานํามาพูดเฉพาะนักบวช ที่เป็นผู้จะเสียสละสิ่งเหล่านี้แล้วนำมาแก้ขายและแปลงกันจึงการแก้ขายถอดถอนกันจึงรู้สึกว่าอันนี้ยากยากจริงจริงมันให้เมื่วลาเข้าถึงเข้าขั้นนี้ที่จะปล่อยวางที่จะสาเร็จเป็นขั้นที่สามคืออนาคานี้ได้นั้นต้องเป็นนักมวยก็เรียกว่านักมวยชุนละมนุนตปต่อยกันอยู่วงใน หมุนติ้วติ้วอยู่วงในคือสติปัญญาขั้นหนึ่ขั้นหมุนตัวติ้วติ้วอยู่กับอาจูพระอาจูพังพออันนี้ผ่านได้แล้วก็กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมานําโดยที่นําอันนี้แหละมาฝึกมาซ้อมมาฝึกมาซ้อมอยู่โดยสม่ําเสมอก็กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัตินี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัตินี่จะเกิดที่หลังลำดับจากกามกิเลส ซึ่งซึ่งฟาดกันอย่างชนมุนยุ่นมายนี้ไปแล้วเพราะจากนั้นก็นเป็นสติปัญญาอัตโนมัติอันนี้หมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยเพื่อคอนพ้อนถุกหนึ่งวันอิพานอยู่ชั่วเอือ้อมชั่วเอื้อมแล้วจากนี้ไปพอถึงขั้นอนาคาแล้วจะเหมือนดว่ามองเห็นพระนิพานอยู่ข้างหน้าข้างหน้าอยู่ชั่วเอือ้อมชั่วเอือ้อมแนี่ความเห็นโทษของวิเลศทั้งหลายนี้จะเห็น อย่างเต็มใจเต็มใจเห็นอย่างถึงใจถึงใจความเห็นคุณของการหลุดพ้นก็มีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นท่านถึงได้หมุนตัวเป็นอัตโนมัติของสติปัญญายับรอไม่ได้เลยหมุนติ้วติ้วนี่สติปัญญ า, ญญ า, าอัตโนมัตินี่คือสติปัญญาแก้กิเลสฆ่ากิเลสไปอัตโนมัติไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนอเว้นแต่หลับเท่านั้น พอตื่นนอนขึ้นมาสติปัญญานี้จะจับงานอัตโนมัติของตนแล้วเป็นลำดับลำดา <c oughs> นี่คือสติปัญญาอัตโนมัติทำงานแก้กิเลสเป็นอัตโนมัติทีนี้เรื่องการความภาคความเพียรที่เราจะหมุนหมุนอย่างที่ว่าเพียรพยายามถูถ่ยกันไปอย่างนี้ไม่มีในวงในในวงนี้วงที่ว่าสติอัตโนมัติ สติปัญญาอัตโนมัติมีจะหมุนตัวไปเองเพื่อความพ้นทุกเพื่อความพ้นทุกแก้ก็เลยโดยอัตโนมัติอยู่ที่ไหนแก่ตลอดแก่ตลอดไม่มีความว่าพักจึงต้องย้อนติดอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัตินี่เข้าสู่สมาธิคือความสงบไม่เช่นนั้นจะไม่อยู่แต่เลิดเปิดเปิดมันจะเลยเถิดนี่ท่านก็สอนให้ย้อนเข้ามา ถึงจะเป็นการแก้ทุกข์เรศด้วยความเพลินใจก็ตามเมื่อกําลังบางชาไม่พอมันก็เหมือ น, นมีดท่องเหล่านี้มันไม่คมฟันไปอะไรมันก็ไม่ขาดง่ายๆทีนี้ถอยมาเหมือนมันรับหินได้แคเข้าสู่สมาธิหรือนอนพักหลับ เ, เมื่อพักหลับแล้วก็เป็นกําลังอันหนึ่งทางท่าทางขันพักอีกเข้าสู่สมาธิเป็นกําลังอันหนึ่งทางปิตใจ แล้วท่าขันก็ได้กำลังมันหนุนอันนี้อีกนี่ก้าวเดินต่อไปอีกนี่ฟังให้ดีนะมันดาท่านต่างหลายวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่พระหลวงตาจะได้สอนทราลูกพหลานให้เป็นคติเครื่องเตือนใจนำไปปฏิบัติเพื่อก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานซึ่งสบสนร้อนตามทางสัตดาที่สอนไว้นี้ไม่คือไม่ล้าสมัยไปไหนแล้วให้พิจารณาอย่างที่ว่านี้นี่แหละขั้นสติปัญญาตนมัติ พอจากนี้หมุนเข้าไปละเอียดละอเข้าไปละเอียดละเ อ, ดอเข้าไปแล้วก็เชื่อมโยงถึงมหาสติมหาปัญญา<ม>เพียงขั้น ส, สติปัญญาอัตโนมัตินี่ก็ไม่มีเผลอแล้วละ่เะเผลอจิตจับเผลอสติสตางเผลอไม่มีแล้วอืพอก้าวเข้าสู่มหาสติปัญญานอกจากไม่เผลอแล้วยังละเอียดละอซึมซาบไปหมดเลยสติปัญญาอัตโนมัตินี่ยังยังเป็นคลื่นเป็นคลื่น ถ้าทำงานก็เรียกเหมือนเขาฟักลาบยำลาบถึงจะยำทียิบขนาดไหนมันก็เป็นคลื่นแห่งการยำลาบอยู่นั่นแหละทีนี้พอก้าวจากสติปัญญาธรรมะนี่ก้าวเข้าไปสู่มหาสติมหาปัญญาที่นี่ลาบลื่นไปเลยซึมทราบข้าวิเลตก็ซึมทราบอะไรซึมทราบทั้งหมดนี่ไปตามๆกันนี่เรียกว่ามหาสติมหปัญญาให้มันคลองในหัวใจของเราสิ ทำรรมาวยเจ้าสุดสุดละน้อนสอนไว้เพื่อใครถ้าไม่สอนไว้เพื่อครูว่าจะปฏิบัติคือพวกเดาเองนี่ละนี่เนี่ยว่ามหาสติปัญญานี่การพิญญาสติปัญญาตโนมัติก็ถือเอาขั้นอนาคานีอารมณ์ของอนาคานิมิตของอนาคานี่ฝึกซ้อมจนจำเ น, น, น, นื้อำนาญแล้วกลายเป็นว่างไปหมดนัะนี่ที่นาําหมดนิมิตที่เกี่ยวกับจิตซึ่งเรามาตั้งฝึกซ้อมนี่หมดไปหมดไปหมดเร็วเข้าเดีเ๋ยวก็สุดท้ายหมด ตั้งขึ้นพับดับพร้อมดับพร้อมเหมือนฟ้าแลบฟ้าแลบต่อไปอย่างนั้นไม่มีไม่มีจะเป็นอะไรที่นี่นะมันจิตมันว่างไปหมดแล้วเนี่ยจากนั้นก็พิกมันหนักเป็นเองสิ่งที่มีเงื่อนต่อมันนี้เหมือนกับไฟได้เชื้อเชื้อไฟมีอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปตามเชื้อโดยไม่บังคับกันเลยขอให้มีเชื้อไฟเถอะไฟจะลุกลามไปตามอันนี้ขอให้มีเชื้อกิเลสอยู่ที่ตรงไหน สติปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกับไฟควาผ้าความเพียรเหมือนกับไฟจะหมุนเข้าไปพิจารณาเชินเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณนี่ทีนี่เวทนา ก, ก็ถือเวทนาทางกายบ้างถือเวทนาทางจิตส่วนมากจะเป็นเวทนาทางจิตนะทางกายผ่านไปแล้วไม่ค่อยสนใจนี่สัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณมากจะมีแต่สุขเวทนาภายในจิตใจทุกขเวทนามีแต่ว่าน้อยๆลงไปโดยลำดับสุขเวทนานั้นเด่นเด่น <c oughs> นี่ก็อยู่ใขั้นสมมติสัญญาสังขารอิร ญ, ญาณเฉพาะอย่างยิ่งคือสังขารพอปรุงแผลพอปรุงแผลปรุงมาจากไหนปรุงมาจากใจดับไปดับไปไหนมาจากใจสัญญาหมายปับ๊บมาจากไหนทัตติปัญญานี้จะหมุนตามหมุนตามทันทีโดยหลักธรรมาชาติแล้วสุดท้ายมันก็หมุนออกก็ออกจากใจหมุนเข้ามาก็หมุนเข้ามาสู่ใจติดตามเข้าไป หาพระราชวังหลวงคืออวิชาปัจจญาสร้างขาา้าราได้แจกกษัตริย์วัตจักรอยู่ในถ้ากลางนี่แหละอวิชานี่เป็นกําแพง <c oughs> ล้อมเอาไว้ตัวอวิชาอยู่ในกําแพงเพราะนจึงติดตามเหล่านี้เข้าไปติดตามมานี่เข้าไปเรื่อยฝึกซ้อมกันเรื่อยพอมันเข้าใจเข้าใจหลายครั้งหลายหนเข้าใจเรื่อยๆเข้าไปก็ตามเข้าไปถึงอวิชาปัจจญาสร้างขาา้ารา กลายเป็นปัจจยการขึ้นมาภายในจิตดวงนั้นหนันนะกเดีวอริยสัจสี่เป็นเต็มตัวแล้วเข้าไปนั้นเนืน้จิตมันต า, า, างเข้าไปหลายครั้งเขก็ไปเห็นต้นตออันใหญ่หลวงคืออวิชชาปียาซึ่งเป็นกษัตริย์วัตจักรภายในหัวใจของเรา <c oughs> เพราะสิ่งอื่นมันปล่อยหมดแล้วจิตใ จ, จว่างไปหมดทั้งทั้งที่จิตก็ยังไม่ว่างตัวเองแต่ สิ่งภายนอกทั้งหลายมันว่างไปหมดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศวัตถุต่างๆนี่ว่างไปหมดไม่มีในจิตใจจิตใจกลายเป็นความว่างไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ภายในตัวเองยังไม่ว่างนั่นนี่อ่านให้มันถึงอย่างนั้นทีนักปฏิบัติให้ถึงตัวอะไรยังไม่ว่างก็อวิชาปัจญาสั่งางทารายังสําคัญว่าอันนั้นว่างนี่ว่างตัวเองลืมตัวเองตัวเองยังไม่ว่างนั้นให้ย้อนเข้ามา จนกระทั่งได้ถึงตัวจริงของอวิชชานี่พูดเป็นแนวทางให้พระลูกพระหลานทั้งหลายฟังเพื่อจะยึดนะนี่ถอดออกมาจากความจริงจากภาคปฏิบททัติของตัวเองมาเล่าให้บรรดาลูกหลานฟังแล้วก็ให้พิจารณาย้อนหน้าหลังทั้งมันก็เข้าถึงจิตตะอวิชชาเนื้ออวิชชาครอบงําจิตไว้ในโลกอนี้มีแต่อวิชชาครอบอยู่ฉะนั้นพอเปิดอันนี้ไปจิตก็จ้าขึ้นมา เต็มสัดว์เต็มส่วนเต็มเต็มมรรคเต็มผลเต็มร้อยเปอร์เ็นต์แล้วทีนี่ตัวในจิตเองก็ว่างภายนอกก็ว่างว่างหมดทั้งภายในมากว่างหมดทั้งภายนอกไม่มีอะไรเหลืออยู่ภ า, ายในจิตใจนี้เลยเปน็นมุตติจิตวิมุตติธรรมหรือเป็นธรรมธาตุล้วนวนปรากฏเด่นขึ้นมาถึงเรียกว่าสมมุติไม่มีเลยในจิตดวงนี้ จิตอันนี้ว่าง ว, ควาคขมะว่างจากสมมุติทั้งหมดไม่มีอะไรเลยเหลือติวิบูติธรรมที่เป็นหลักธรรมชาติแท้นิริติเข้าถึงธรรมชาติแท้คือจิตนี้เป็นธรรมธาตุเป็นมหาวิมุติเป็นมหานิพานเป็นธรรมธ า, ต, ต, าตุเป็นอมรเป็นอมตจิตเป็นอมตะธรรมสมกับว่าจิตนี้ไม่เคยตายจิตนี้ไม่เคยตายที่สุดแห่งความไม่เคยตายของจิตคืออะไร คือธรรมธาตุจิตถึงมิหมดหลุดพน้นเนียกว่าถึงธรรมธาตุแล้วที่หายสงสัยว่าจิตตรงนี้ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมันเราหายสงสัยร้อยเปอรเซนต์หรือว่าล้านเปอร์เซนต์นี่แหละให้ท่านทั้งหลายได้ทราบผู้ปฏิบัติทั้งหลายทั้งพระทั้งประชาชนอย่ามามัวเกาหมัดอยู่ว่า เจ้าของเกิดตายมากี่กับกี่กันแล้วก็มาตื่นเงาเจ้าของหลงเงาเจ้าของว่าเกิดตายแล้วสูงตายแล้วสูนนี่ล่ะมันสูญได้ยังไงมันลงไปนกปรกอเวจีมากี่กับกี่กันทนทุกข์ทรมาณอยู่นั่นมันก็ไม่สูนนั่นเองยอมรับทามทนทุกข์ทรมานพอบาปกรรมค่คอยจางไปยังไปจากนรกหลุมนั้นเลื่อนมาหลุมนี้แล้วจิตใจก็เป็นจิตอย่อย่างนั้นละ่ะ รับกรมทุกกรรธรรมาน้อยลงน้อยลงตามอํานาจแห่งกรรมของตนที่เบาลงเบาลงแล้วถอยขึ้นมาเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นจักรอะไรมันก็จิต ด, ดวงนี้แหละไปเกิดอยู่ตลอดเวลาตามอํานาจแห่งกําหนักเบามากน้อยเลื่อยไปเลื่อยไปจนมาเป็นผู้เป็นคนอย่างนี้เราอย่างเรานี่แหละนี่เราก็มาจากจิต ด, ดวงที่ไม่เคยตายกันแหละมาอยู่นี้อาตายจากนี้แล้วก็จะไปเกิดอยู่นะทีนี้ความไปเกิดของจิต ด, ดวงนี้จะไปเกิดที่ไหน เราได้ความแน่นอนแล้วอย่างนี่ถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วแน่นอนเป็นลําดับดังที่กล่าวนี้จากภาคปฏิบตัติจะแน่นอนเป็นลําดับลาดาไปเลยเพราะว่าอย่างเช่นยว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละที่สุดแห่งสมมุติทั้งหลายจะไปสุดทิ่นที่ตรงนั้นวิมุติผางขึ้นมาแล้วจิตบริสุทธิ์ไม่มีสมมุติแม้นิดหนึ่งปรากฏเลยจิตดวงที่บริสุทธิ์จิตดวงที่เคยเกิดเคยตายมาเหมือนกับ สัตว์ตั้งหลายโทษในโลกธาตุนี้ขาดสมบันลงไปในขณะที่ <c oughs> จิตตาวิชาขาดลงไปจากใจจิตครองมิมุิหลุดพราไม่มี <c oughs> สมมุดใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันท่านจึงไม่เคยมีถูกตั้งแต่ขณะท่านตัดสรุธรรมหรือบรรุธรรมขึ้นมาเป็นพระอรหันในเวลานั้นแล้วจากนั้นไปเป็นอนันตการตั้งกับตั้งกันเนียกว่าเที่ยง ท่านไม่เคยมีทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งแต่ขณะท่านตรัสจรูธทำฆ า, ามาตรัตจรูธคือสังหารยิเลสตัวเป็นเจ้าเหตุสร้างทุกข์ขึ้นมามากน้อยยิเลสมีมากมีน้อยสร้างทุกข์ขึ้นมามากน้อยให้รับความลำบากดาบลมากน้อยพอยิเลสนี้ขาดซึ่งเป็นตัวสร้างทุกข์นี้ขาดจะบั่นลงไปจากจิตใจแล้วไม่มีสมมุติในใจเลยแล้วทุกข์ก็ไม่มียิเลสไม่มี ความทุกข์ก็ไม่มีความทุกข์ใน ใ, ในใจของพระอรหันต์จึงไม่มีตั้งแต่ขณะท่านตรัสรู้แล้วส่วนความทุกข์ทางธาตุทางขันร่างกายนี้มีเหมือนกันกับโรคทั่วไปเ <c oughs> พราะเหตุใดเพราะธาตุขันนี้เป็นสมมติเหมือนกับสมมุติของโรคทั้งหลายเช่นร่างกายของเขาของเราเป็นเหมือนกันเมื่อเป็นเชนนั้นความทุกข์ประจําขันจึงมีเหมือนกันมีเก็บคล้องปวดสีสาก ปวดหดัวต่อรอนมีหิวมีกระหายเหมือนกันแต่มันไม่เข้าถึงจิตท่านก็รู้อยู่แล้วว่าหิวนั้นหายนี่เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้รู้เฉยจิตที่บริสุทธิ์แล้วจะไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยหากเป็นหลักธรรมชาติเป็นอนะัตถนาหรือว่าเป็นคนรับฝังแล้วนี่สิ่งที่ท่านรับทราบแต่ไม่ใช่ท่านท่านรับทุกจากกันนะท่านรับทราบจากกันที่แสดงตัว อย่างความคิดความตรุงเรื่องอะไรสัญญาอารมณ์ท่านก็มีเหมือนเราแต่ท่านไม่ติดมันก็เป็นเครื่องมือของทำไปแต่ก่อนธาตุขันนี้เป็นเครื่องมือของที่เหอศความคิดปรุงอะไรขึ้นมาเนี่ยที่เลสบ่งการออกมาบ่งการออกมาท่านถึงกล่าวว่าอวิชชาปจจยาสร้างขาราอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดจัง ข, งขาาญญันสร้างข้าลาปยาบินญาณนองเรื่อยไปเลย มันหนุนให้ไปเป็นสังขารวิญญาณนามรูปเรื่อยจงกรทั่งถึงชาตินี่แหะทีนี้นะท่านตระหกว่าเอวเมตัสาเกวรัตาดุกักขันตต า, าสมุทรโยห์ติเหล่านี้เป็นสมุทรไทยการเกิดตายทั้งนั้นนันทีนี้พอพิจารณาถอนวิชาไปแล้วสังขารก็ดับอวิชา ม่าจอภิชาญตะเวอเซสวีลากานิโรธาสร้างคาลานิโลเรื่อยไปจนกระทั่งเนน้โลโทโฮติเหล่านี้เป็นมีมดความดับทุกทั้งนั้นนั้นอภิชาดับเสียอย่างเดียวจนนั้นทุกทั้งหลายดับเพราะฉะนั้นสังขารที่คิดที่ปรุง <c oughs> วิญญาณรับทราบในขันตั้งห้านี้จึงกลายเป็นเครื่องมืของจิตที่บริสุทธิ์ไปไม่เกิดกิเลสไม่มีกิเลสราะขันเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อน ขันนี่เป็นทําให้เกิดเป็นกิเลสทว่าขันจริงๆไม่เป็นกิเลสแต่อวิชชาคือตัวกิเลสนั่นแหละมันบงการออกมาให้ให้ไพ่เป็นเป็นกิเลสเช่นเบชนาสัญญาจังการเนี่ยมันหลงทั้งนั้นแหละหลังขานความคิดความปรุงวิญญาณของเราทราบอะไรเป็นกิเลสไปเรื่อยๆท่ะตัวใหญ่มันอวิชชาพาให้เป็นกิเลสนี่มันยึดด้วยถือด้วยในขันทั้งนั้นมันถือว่าเราเป็นของเราเต็มตัว ทีนี้พอจอิตได้หลุดพ้นจากมี้แล้ ว, ลวอวิชชาเนตเววาดิดับหมดเมื่อดับแล้วกับสังขารก็ไม่มีไม่มีกิเลไม่เป็นสมุทัยวิญญาณอะไรไม่เป็นสมุทัยเป็นแต่เครื่องมือของธรรมแต่ท่านไม่ยึดไม่ถือทมเป็นเจ้าของของขันนี้ท่านไม่ยึดใช้ไปถึงวันนิพพานนี้เท่านั้นแต่กิเลส ย, ยึดกระทั่งวันตายไม่มีวัน ถอยละนี่ตั้งกันอย่างนี้ขันเป็นขันของพระละหาันส่วนขันของของกิเลสนั้นมันเป็นเราเป็นเขาเป็นหมดนี่ให้พากันจำ <c oughs> ด้วยเห็นนี่เองพาระาลหาันท่านจริงไม่มีจิตไม่มีทุกในจิตทุกในจิตไม่มีเลยตั้งแต่ขนาดท่านจาตัตตลูกธรรมมีก็คือว่าบรมมาสุบรมมาสุขนั้นเป็นถูกนอกสมมูิก็เป็นความเที่ยงเหมือนกันนั่น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 ตั้งแต่ที่เรลืขาาสะ บ, บันลงไปจากใจแล้วพระอรหันต์ท่านไม่ได้ทำความเพียรเพื่อละที่เหลืตัวใดไม่มีแท่านจึงแสดงไว้ในธรรมว่าวุติตังประมาจดียังกตังกรณียังนั้นเศรษฐกิจพรมจันคือการละการถอนทิเหลืการบำเพ็ญธรรมกับการถอนทิเหลืมันก็เกี่ยวโยงกันอยู่นั่นแหละนั่นแหละ การบําเพ็ญธรรมหรือการละกิเลสได้ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนั่นบูชิตังพระมจริยังแปลว่าการพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วจิตที่ควรทําก็คือการละกิเลสนั่นเองก็ได้ทําเสร็จแล้วแล้วนาปลังอิสตายาติจิตอื่นที่ยิ่งกว่านี้ไม่มีนั่นตัวเหตุที่เองพระหรหันท่านจึงไม่เคยละจ่ายภาวนาเพื่อละกิเลสตัวใดการภาวนาของพระาราหัน ของพระพุทธเจ้าดีไมด่ดีเราสู้ท่านไม่ได้นะเพราะเหตุอะไรทั้งๆที่ท่านมาเลยภาวนาพเพื่อรักิเลเแต่เหตุจําเป็นที่ท่านจะบําเพ็ญหรือภาวนาอยู่นั้นมีประจำขันของพภรรารันมีเช่นเกี่ยวข้องกับธาตุกับขันเพื่อบรรทนาธาตุขันในเอียบท่ต่างๆยืนเดินยืนนอนยืนนานก็ทุกเดินนานก็ทุกนอนนานก็ทุกนั่งนานก็ทุก เพื่อบรรเทากันให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีในระหว่างขันกับจิตที่คลองกันอยู่นี้จากนั้นก็เข้าสู่สมาธิเพื่อเพื่อสงบอารมณ์คือขันภายนอกพิจารณาร่านอาัดด้านธรรมภายใน จ, ใจิตใจหนี่เอาอย่างพระอุเชนทร์นั่นก็สองโลกธาตุวางอันเถะเนี่ยพิจารณาเลงยาดูสัตว์ตโลกด้วยจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นนี่ พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วพระหันท่านธรรมเต็มภูมิของท่านพิจารณาเต็มภูมิเต็มพรางของท่านนั่นแหละนี่มีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเพื่อบันเทาขันประเภทที่สองเพื่อพิจารณาเรื่องอักเรื่องธรรมข้างหลายส่วนพิจารณาท่านเองท่านไม่มีพิจารณาเกี่ยวกับสัตว์โลกดู <c oughs> สัตว์โลกต่างๆนี่แหละท่านว่าท่านเพื่ออยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม คืเวลายัางครองขันอยู่ท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเหมือนเหล่านั้นแหละการภาวนาในท่านผู้สิ่นจิเลตแล้วมีสองประเภทดังกล่าวนี้ประเภทที่หนึ่งเพื่อบรรเทาธาสุขันประเภทที่สองเพื่อพิาจารณากกับธรรมทั้งหลายเกี่ยวกับสัตว์โลกทั้งหลายมีความดึกตื้นหนาบางอย่าละเอียดตลอดถึงสัตว์โลกเป็นยังไงยังไงจะรู้ในเวลาท่านพิจารณานี้ แ่มแก้งขึ้นอันหนึ่งอนหนึ่งอยู่ธรมรมดาท่านก็รู้จำธรมรมดาถ้าทนพิจารณานะั้นก็ยิ่งละเอยียดลรอเข้าไปรู้มากเข้าไปโดยลำดับธรราดานี่ผลเนี่ยการปฏิบัติธรรมของผู้บำเพ็ญทั้งหลายขอให้พาลูกพาหลานตลอดประชาชนลูกหลานทั้งหลายจำเอาการพูดทั้งนี้เราพูดเอาเป็นแบบฉบับได้เลยเพราะลองตาไม่สงสัยแล้ว สิล น, น, นี้ถอดออกมาจากหัวใจทางนั้นวิธีการดําเนินแบบไหนแบบไหนถอดออกมาจากการดําเนินของตัวเองจนกระทั่งรู้เห็นประการใดถอดออมาหมดจนกระทั่งถึงวิมุตต์หลุดพน้นจิตมันผ่านไปก็บอกว่าผ่านไปหลุดพ้นก็บอกหลุดพน้นเพื่อเป็นแบบเป็นฉบับและปลูกจิตปลูกใจเพื่อเป็นกําลังใจของผู้บำเป็นทั้งหลายว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ตามดินฟ้าอากาศ ไม่อยู่ตามเวลาเวลาเวลานั้นสึ่งเวลานี้สุดในผู้ที่เจ้านิพพานอยู่เมืองอินเดียเราอยู่เมืองไทยนี่ไม่มีหวังแล้วนั่นมันชิดไปอย่างนั้นนะเนี่ยมันไม่ใช่กาลิโกมันเป็นกาลิโกคือเอาการเอาเวลามัดเหยียบมาบีบปี้สีไฟการบําเพ็ญธรรมมันก็เข้ากันไม่ได้ยี่เหล่มันไม่เห็นมีเวลาเวลาความรอด ก เ, กเกิดได้ทุกเวลาความโกรธดาคาตัญหาเกิดได้ทุกเวลานั่นทีนี้การบําเพ็ญธรรมเพื่อดับที่เลสทั้งหลายเหล่านี้ทําไมจึงดับไม่ได้ทุกเวลาเพราะเป็นของคู่แข่งกันดับกันได้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะไปกล่าวถึงเรื่องสมัยนั้นสมัยนี้ยาวไปทิ่เรื่องที่เลสหลอกกลวงทั้งนั้นให้บําเพ็ญตัวเองกิเลสจริงๆมันเกิดอยู่กับใจของเรามันไม่ได้เกิดอยู่กับการนั่นตฐานนี้นะนั้นเกิดอยู่กับใจให้แก่ <c oughs> ตัวเองด้วยอักด้วยธรรมตลอดเวลานี่วันนี้ก็ได้แสดงถึงอักธรรมให้บรรดาพระลูกพันหลานทั้งหลายได้ยินได้ฝังในอักธรรมสมกับศาสนาพุทธของเร า, ราศาสนธรรมของเหล่านี้คือตลาดแห่งมรรคผลมิพานตลอดมาและจะตลอดไปถ้าผู้ปฏิบัติตามสวดคารธรรมที่จัสไว้ชอบแล้วนี้มีอยู่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 มันอ่อนแอท้อถอยในศีลในธรรมแล้วหนักแน่นมั่นคงมันเป็นบ้าไปทางกิเลสตัณหาที่นี่กลายเป็นาศาสนาเสื่อมแล้วเลยกลายเป็นผู้ปฏิบัติทันนั้นกลับตัวมาเป็นฆ่าสึกต่อบ้านต่อเมืองต่อาศาสนาต่หอีกเพราะหมุนอกจากธรรมแล้วก็เป็นกิเลสเป็นกิเลสก็กลับก็มาเผาชาติบ้านเมืองเผ า, าศาสนาไปอย่างนี้นะให้พากันระมัดระวังอืม วันนี้เราทั้งหลายก็ได้มารวมกันประชุมจำนวนพันๆหมื่นหมื่นก็เพื่อรักษาป้องกันทั้งชาติทั้งพุทธศาสนาที่เราเทิดทูนทั่วประเทศไทยอยู่นั่นแหละเพราะมีสิ่งเหตุเลวร้ายทั้งหลายที่เข้ามาก่อควรททำลายเผาไหม้ทั้งชาติทั้งศาสนาเป็นไปในอันเดียวเวลาเดียวกันในเรื่องเดียวดาวเรื่องราวเดียวกันมันเกี่ยวโยงกัน จึงได้พากันออกมาแม้จะอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเนื้อผาที่ไหนเมื่อบ้านเมืองที่รับผิดชอบด้วยกันเกิดขึ้นในเรื่องราวที่ไม่ดีจะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไมชาติและศาสนาของตนต่างองค์ก็ต่างออกมาชำระสาสารตักสินหรือแสดงความเห็นให้หมู่คณะทั้งหลายได้ฟังแล้วประกาศออก จะออกทางไหนก็แล้วแต่บรรดาท่านทั้งหลายก็จะได้ทราบเองหลังจากการประชุมแล้วในี้ผลในการประชุมเป็นอย่างไรนี่อันนี้ก็ท่านต่างหลายก็จะได้ทราบเองนี่นี่เป็นว่าเป็นวิสามันสมัยเหมือนกันเพราะข่าวนี้เป็นข่าวที่พระเนนทั้งหลายมามากเกี่ยวกับความกระทบกระเทือนอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องศาสนาซึ่งเป็นให้ความร่มเย็นแก่ ชาติไทยเรามานานชาติก็ได้ประคับประคองมานานทีนี้เวลามากระทบกัตเือนกระทบกัตเือนทั้งชาติทั้งาศาสนาไปในแนวเดียวกันหนุนกันไปหนุนกันไปทางชาติก็จะเกิดความเดือดร้อนหนักใจทางาศาสนาดี่ไม่ดีจงมากกว่านั้นจมถ้าธรรมด า, าเวลาที่มันเริ่มคนนี้กําลังไฟจอ่อเข้ามาจอเข้ามาถึงาศาสนาที่เป็นความชอบธรรมของศาสนาศาสด า, ส า, า, สาชอบแล้วให้ความร่มเย็นแก่โลกทั้งหลายมานาน นี่ก็2อ0 0ปีกว่านี้แล้วไม่เคยมีความหยดร้อนวุ่นวายเพราะศาสนาพาดดำเนินในแนวทางที่ผิดผู้ดำเนินตามาศาสนาธรรมได้รับความสงบเย็นใจตั ก, ตกปรวงอมักตันี้พ่านเรื่อยมาจกนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่ก็ได้มาปรากฏขึ้นแล้วมักผลของเจคือเอาฟืนเอาไฟมาเผาทั้งชาติทั้งศ า, าสนาประกัน นี่มรขนของเกลเล็งมันกําลังก่อตัวขึ้นมามองการึงได้มาประกาศชาล้างสิ่งเหล่านี้ออกเพราะมันเป็นของปลอมล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นตแง่ใดมุมใดที่ออกมาอยากมาเสนอหนาแง่ใดแง่ใ ด, ดเป็นด้วยอำนาจบาตหลวงป่าเถื่อนเถื่อนหาเข้าล า, าเกณฑ์ไม่ได้เลยเทียบดูธรรมเนียนี้เข้ากันไม่ได้เลยเมื่อไปจากนั้นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมเนียที่ถูกต้องแล้วมีอยู่ ท่านจะอยู่ได้ยังไงต้องออกมาคัดค้านต้านทานกันอันใดผิดบอกว่าผิดอันใดถูกบอกว่าถูกประคับประคองสนับสนุนส่วนที่ถูกให้เจริญรุ่งเรืองแน่นอนมัแน่นหนามันคงต่อไปอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยปัดออกปัดออกนี่ท่านมานี่ท่านมาเป็นในที่มงคลแก่ชาติแก่าศาสนาของเราถ้ า, มาไม่มาทำทำลายหรือทําให้ความกระทบกระเทอือนแก่พี่น้องตั้งหลายในแดนจากฟุกและแดนไทยของเรา <c oughs> ท่านมาด้วยความเป็นธรรมมาประชุมกันด้วยความเป็นธรรมมาท่านไม่ได้มาก่อมอั่อเกาะแม่่นไม่ได้มาหาอุบายวิธีบีบบังคับนั้นบีบบังคับผู้นี้ให้ทําตามอย่างนั้นให้ทําตามอย่างนี้ด้วยอํานาจป่าดเถื่อนของตนครองการป่าเถื่อนเหล่านี้ท่านไม่มี ท่านมาระงับดับสิ่งที่เป็นป่าเป็นเถื่อนเป็นฟืนเป็นไฟตั้งหลายเพื่อให้สงบตัวหนึ่งผู้ปฏิบัติศาสนาจะได้ปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายร่มเย็นเป็นสุข ต, ตักตวงเอาบุญเอากุศลมากคผนิพพานไปเรื่อยๆมีความสบายเมื่อไม่มีมหาภัยเข้ามาเกี่ยวข้องเอาบ้านผ้าห่วงเขาศา ส, สนาแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ออกมามาออกมานี้ท่านมาด้วยความพอใจในนามที่ว่าชาติท่านเป็นชาติไทย แต่แล้วองค์พระองค์พ่อแม่ของท่านมีอยู่ทุกแห่งทุกผลทุกภาคเมื่อศาสนาเดือดร้อนแล้วชาติเชี่ยวเดือดร้อนท่านก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกันก็ช่วยกันดังที่เห็นนี่แหล ะ, ะวันนี้การแสดงธรรมให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายฟังก็คิดว่าจะพอได้แนวทางให้พากันตั้งใจปฏิบัติอ ย, ย, ย่าสายแสหาเรื่องโลกยังสารหาฝืนหาไฟ ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติสมกับเราเป็นบนรรพชิตคือนักบวชบวชแล้วหน้าที่ของเรามีการชำระีิเ็กตัญหาชำระชั่วด้วยการทำดีตลอดไปนี่ถูกต้องนะอยาะ่ยาเสาะอย่าแสวงหาเรื่องีิเดกตัญหามันเต็มหัวใจของเราอยู่แล้วให้ชำระสาสางออกไปให้เบาๆทำจะได้งอกเงยขึ้นมาใจของเราจะมีความสงบร่มเย็ดถ้าเป็นผลมากกว่านั้นก็ เป็นมหามงคลแจ่ตนด้วยแจกโลกทั้งหลายที่เขารียูฉาดังที่ท่านแสดงไว้ว่าพุทธทางธนังตฉามีธรรมังสังทางธนัตฉามีนี่เป็นมหามงคลแจกชาวพุทธของเราเพราะท่านได้บัพเพิมาแล้วอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วมาแจกจ่ายให้ประชาชนจัดโลกทั้งหลายได้รับความสุขความเจริญ น, นี่ก็ขอให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายนำไปปฏิบัติให้เป็นที่มงคลแจ่ตนให้มีความมิรายต่อบาปต่อกำลัง เพราะเนี้ยนี่มันเคยเผาผลานโลกมานานแล้วบุญกุศลเป็นเครื่องหนุนจิตใจของเรามานานให้บำเพ็ญทางกุศลให้มากด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรมประจําใจผู้ใดมีศีลมีธรรมประจําใจมีฮิเยโอตปะสรุปรตาาปัต่อบากต่อกรรมระมัดระวัง ต, ตัวมีเสมอสังหรณนระวังด้วยศีลด้วยธรรมแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีศาสตราประจําตนศาสตราคืออะไรคือทำและวนี่ไหนนั่นแหล่นั่น ที่พระพุทธเจ้าประธานว้แล้วว่าทำหรือและวินัยนั่นแหละจะเป็นาศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่เมื่อเป็นเะนั้นใครเป็นผู้เขารธรทมวินัยเทิดทูนทำวินัยด้วยการปฏิบัติดีปริบัติชอบผู้นั้นแหละคือมีาศาสดาปกครองไปตลอดเลยผู้ใดไม่มีทรมีวินัยแม้หัวลล้นอย่างพวกพราหมณ์เราก็ หัวโล้นเฉยๆไม่มีใครจาหนีหัวล้นทานี่เขาตําหนีนะทําไม่ดีไม่ถูกนี่ให้จำมานะบรรดาพระลูกกานหลานอยากมีศาสดาประจําตนขอให้มีทำมีทีน ไ, ไหนประจําตนจะมีศาสดาประจําเราไปที่ไหนก็ไปกับศาสดาไปกับพระพุเทธเจ้าแล้ว จ, จะเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามัน่นคงในการแสดงธรรม ก็เห็นว่าสมควรแจกการเวลาและทาตันธ์ที่อมนวยเพียงแค่นี้ยิงขอความสวัสดีเป็นมงคลตองมีก่บแจกบรรดาพระบุพาหลานทั้งหลายตลอดประชาชนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายโดยทั่วกันเธอ